วันนี้วันที่16 ส, ส, งสิงหาคม2535จะขอย้อนไปถึงวันที่9กรกฎาคม2535วันนั้นเราก็ว่าป่วยหนักมอาการเป็นไข้ซ้อนทองก็เสียเราก็รมม่ำเยรมฟุ้งซ่าน อรมมืดไม่สามารถจะไปนิพพานได้มีอาการเป็นอย่างนี้อยู่สองสามวันต่อมาเมื่อวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองันหนึรยสมสิบห้าคิดเริ่มโปรงไข้ลดตัวลงจึงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทัด กลราบ ท, ทูลถาม น, นว่าพันเตภะกวาข้าแ ต, าาพพตาา่องค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าพระเจริญพระวิเทวค่ะอารมณ์พุ้งไม่สามารถจะมองเห น, นิพพานได้ไม่สามารถจะไปนิพพานได้อารมณ์อย่างนี้ถ้าตายจะพลาดนิพพานไหมองค์สมเด็จพระจอมใจบริมศาสดาสมศักดิว่าพิโกโลกรพิสุ จิตมีสภาพจาถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดถึงนิพพานตารมจอดจงวัฏฏายของจิตมีอยู่เั้่ธาตุตัวเธอตายเวลานั้นก็ไม่สามารถจะธาตนิพพานได้ต้องมาทิ่พานได้แน่นอนหลังจากนั้นก็าการโทนถามองค์ท่านพระจินนวรตามสงควรเจ็กเล็กๆน้อยๆเจ้าก็แสงของจิต ท่า น, นก็ตรัดว่าเรื่องของจิตให้ต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงแม้จะอยู่ข้างล่างก็ดีอยู่ข้างบนก็ดีอย่างปกติก็คือตามให้ถือว่าเราต้องการนิพพานไว้เสมอถ้าจิตต้องการนิพพานไม่เป็นปกติอย่างนี้ถึงแม้ว่าอาการป่วยจิตจะมัวไปบ้างจิตไม่กาะพระนิพพานแต่ว่าจิตมีสภาพจำ จิตสา ม, มารถจะไปที่พานได้ทันทีเนี่ยไม่ออกจนร่างต่อจากนั้นก็กาาราบทูลองค์สมเด็จพระอมริพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไปเทวสภาก่อนองค์สมเด็จพระชินนวรคือพระบทมพระเระองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยข้าพเจ้าก็ขเด็ษอาตมาก็ตามผลิตข้าพเจ้ามาที่เทวสภา พอมาถึงที่ประทับท่านก็ประทับบนธรรมาสูงอาตมานั่งท่านตำ่ำท่รู้สึกว่าจะสูงกว่าเทวดานิดหน่อยเวลานั้นปรากฏเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพระก็ดีทุกชั้นมาหมดเห็นจะไม่มาเพราะอาตมาทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยเขาคงจะทราบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาจึงมากัน ในเมื่อนั่งเสร็จแล้วแล้วก็ยกมือผนมหันหน้าไปทางเทวดากับพรมนาฟ้าว่าท่านทั้งหลายที่มีพระคุณที่เคยเป็นบิดามารดามาบ้างเป็นญาติผู้ใหญ่บ้างเป็นผู้มีคุณต่างๆบ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างแล้วก็ทุกท่านทุกองนี้ครูอัตมาทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่างานการทุกอย่างท่านช่วยทุกอย่างไม่ตัดขาดเงิน การสร้างวัดกานจะไปไหนก็ตามรู้สึกว่าทุกท่านเมตตาปราณีพยยามป้องกันพยานได้ต่างๆเห็นชัดว่าท่านหลายมีความเมตตาปราณีอัตมาธรรมาข้อขบุญท่านหลังจากมัณรดาเทวดากับผมนั่งหมดก็กราบสามครั้งไม่ใช่การาบอัตมากราบพระพุทธเจ้า อตมาก็หันไปหาธรรมโอษฐเจ้ า, จาเหมืนสันยอบุญพนมแท่าก็เทศว่าดูก่อนท่านนางหลายท่านที่มาประชุมทั้งหมดจะเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีขอทุกท่านจงอย่าลืมความตายนั่นหมายถึงว่าการจุติเพราะว่าเวลานี้ยังมีเทวดากับนางฟ้าบางส่วน มีความเพลดเพลในที่ประสมบัติเกินไปหลังจากที่มาจากมนุษย์อยู่ที่เมืองมนุษย์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ต้องประกอบวิธีการงานทุกอย่างต้องกระทบกระทั่งกับอารมณ์มีความปรารถนาไม่ค่ยจะสมหวังทุกอย่างต้องใช้แรงงานแต่ว่ามาเป็นเทวดามาเป็นนางฟ้าทุกอย่างหมุดสิ้นนหมายความไม่ต้องทําอะไรทั้งหมด ร่างกายอิ่มในปกติร่างกายเยือกเย็นอบ อ, บ อ, บอบุ่นในปกติไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องห่มผ้าให้มีความปรารถนาสมหวังข้ามหมายความถ้าจะไปที่ไหนก็สามารถลอยไปถึงที่นั่นได้ทันทีทันใดความป่วยไม่มีความแก่ไม่มีร่างกายไม่มีาการาเปลี่ยนแปลงความเป็นทิพย์อย่างนี้สันนิษายได้อย่งบัวเมา ต้องย่ามีความเข้าใจผิดว่าเราอยู่ที่นี่ตลอดการตลอดสมัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอายุเทวดาอดีนเอาพระอดีพระโมดีมีอายุจา ก, ดา ก, ดกดาัดตามบุญวาสนาบรารมีถ้าหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องถูกติคือตายแต่ว่าท่านหลายจ้าอย่าลืมว่าเทวดาก็ดีเอาพระก็ดีทัง้งหมด ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดแมด้แต่จะเป็นพระอริยเจ้าที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าก็มากจงอย่าลืมว่าทุกท่านยังมีบาปติดตัวอยู่และการสะสมบาปมาเป็นชาตชาติยังมีมากมายพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บรรดาท่าน allay อ, อตมาก็ใช้กําลังใจดูร่างกายเจาดานาฟ้ากระพริบ หิ้งเราบาปอยู่ภายในหนามากเป็นนั้นว่าทุกองค์ต่ําคนต่างมีบาปแ้่ก็มาเป็นเทวด า, ม า, ามาเป็นทางฟ้ามาสุนทมได้แล้วเมื่อเจ้าก็ดูตัวเองเพราะนั้นร่างกายตัวเองก็ไปทท็ทิพบาปแล้วก็ทุ่มทนเหมือนกันต่อไปองค์สมเด็จพระพุทธกวันตรัสว่าพระโกวัยดูก่อนวิสุทธังไร เวละนั้นมีตรามาด้วยหลายองค์ถ <c oughs> ้าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดจงจอย่าลืมว่าทุกท่านมีบาปติดตัวมามากมายอาศัยบุญเล็กน้อยก่อนจะตายใจิตใจนึกถึงบุญก่อนจึงได้มาเกิดบนสวรรค์บ้างมาเกิดบนภพบนพรมบ้บบบบบบางถ้าว่าท่านจตุติเมื่อไรโน่นนรก ทัญนชี้มือลงเป็นนรกไฟสว่างจ้าแดงฉานไปหมดท่านลาายณ์ต้องพุ่งหล่ลารุมนรกก็ใช้ขั้คุกรรมคือบาปชร้นนี้บาปก็จะม่เกิดเป็นคนก็นานหลักนาถ้ามาเป็นคนแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้กับมาะปิทักดานางฟ้ารุ่มใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะ เป็นคนอาจจะทำบาปใหม่ครับโ ล, โนโลกนรกใหม่ก็ได้ฉะนั้นเมื่อท่านหอนไหลายมาถึงที่นี่มาอยู่สวรรค์ก็ดีเพรมโลษก็ดีเป็นทางครึ่งหนึ่งของนิพพานระหว่างมนุษย์กับสัตนิพพานเป็นอนันว่าท่านอนไหลายมาได้ครึ่งทางการมาได้ครึ่งทางของท่านท่านอนไหลายก็ดูนั่นนิพพานท่านก็นยกมือชี้ขึ้น ที่ให้ดูพระทิพานเวลานั้นเทวดานางฟ้าผุทั้งหมดอธตมากเหมือนกันเห็นพระทิพานสายสว่างจ้ามีวิมานสีเดียวกันคือสีแก้วแวพรวันยับขึ้งแก้วสีขาวพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นมีความสุขนาดไหนมีความเข้าใจหมดโู้หมด เห็นหมดแล้วองค์พระตุะตตะตะตลาสุขค่อยสงรถขับเอาพระกระเทวดากละนางฟ้าใหม่ว่าท่านอนไหลายจงหวังตั้งใจเชื่อว่าถ้าการสุติมีถึงข่า น, น, น, นี้สมาบนวิสนาบา ร, รมีของเรานี้สิ้นสุดลงเราจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นเทวดาเราจะไม่เกิดเป็นนางฟ้าเราจะไม่เกิดป เ, เดปน็นชม เราต้องการไปพุทธิพาน์จุดเที่ยวแต่การไปพุทธิพานธ์ในถนนหลายต้องยึดต้องยึดอารมณ์พุทธิพาน์เป็นสำคัญสําหรับชมก็ดีเทวดานางฟ้าเก่าๆก็ดีอาตมาไม่หนักใจทั้งนี้เขามีความเข้าใจแล้วก็กแสดงว่าชมเทวดานางฟ้าเก่ า, กรร า, าเป็นพระรอริยเจ้ามาก ที่มีความไม่ห่วงก็ไปห่วงพรมเทวดานางซ่าใหม่ๆที่มาเกิดใหม่ๆจะหลงความเป็นทิพย์เป็นหมายความจะมีความเพลิดเพินในความเป็นทิพย์จึงมีความรู้สึกว่าเราจะเกิดอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่มีการจุดติจะไม่มีการเคลื่อนอันนี้เป็นความเห็นทิ่ผิดจงคิดตามนี้เพื่อพระนิพพานนั่นคือหนึ่ง จงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องจดติวันนี้ไว้เสมอการของชีวิตเป็นของที่ไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรก็ได้ความตายเป็นของเที่ยงความไปอยู่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทุกท่า น, นอย่าประมาทต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง ว่าท่านนหลายควรจะเคารพไหมถ้าจิตใจขอยงท่านมีศรัทธามีความเค า, าในพระเจ้านัยพระธรรมนัยพระอริยสงฆ์ก็แปลการขั้นที่สองนี่ท่านจะไปนิพพานได้หลังจากนั้นขอท่านหลายจงทรงสินให้บริสุทธิ์จะเป็นสินห้าก็าตามสินใจก็าตามพระบทสิบก็าตามสินสิบก็าตา ม, ส, ส, าตามสินสองร้ยี่สิบเจ็ดก็ตาม พอท่านพูดมาถึงสินสองรองยี่ส็ดตัคิดในใจว่าเทวดาจะไปบทที่ไหนองค์สมเด็พระจอมตทยก็หันแตกลักกกนหน้ามาถ้าว่าคฤาสีเทวดาเขาไม่ต้องบทอย่างเทวดาเช่นย า, ามา ก, ก็ดีเช่นฤสิกีก็ดีอย่างนี้เขามีสินขรบ้วนบริบูรณ์ั้สองร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนก็ความเป็นพระเพราะมก็ตามที่นเดียวกัน ทุกท่านอยู่ด้วยธรรมปฏิติีทุกท่านอยู่ด้วยความสุขเขาไม่มีอบัติาทสิ่งที่จะเป็นอบัติไม่มีสิ่งที่เป็นบาปไม่มีเมืแตงกลับไปหันหาหันหน้าไปหาเจวดานองฟ้ากระพริบวขอทุกท่านจงอย่าลืมคิดว่าเราจะเป็นผู้มีศินให้ตั้งใจเฉพาะสินห้าก็ได้สินปลาก็ได้ ชินสิบก็ได้กระหมดสิบก็ได้สินสองรยยสิบก็ได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ละห ม, มดในศินหลังจากนั้นจนมีจิตแค่ปัญญาคิดว่าการเกิดเป็นธรวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีทระพอดีมีสภาพไม่เที่ยงไม่ต้องมีการจุติปิวาราสุดท้ายในเมื่อการจุติจะเกิดขึ้นอารมณ์จะเป็นทุกข์ ผมคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องจติและเมื่อเราจะต้องจุติเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายยังดูภาพของมนุษย์แค่ลงข้อที่มาที่เมืองมนุ ษ, ย, นษ ย, นมมนย์มนุษย์เต็มไปด้วยความวุ่นวายมนุษย์เต็มไปด้วยความโสโครกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์มนุษย์เต็มไปด้วยการงานต่างๆ มนุษย์มีความหิวมีความหายนมีความอยากมีความต้องการไม่สิ้นสุดสิ่งทั้หลายที่ก่อสร้างขึ้นมาเราจะเป็นทรัพย์สินอย่างไงก็าตามในเมื่อาตายจากความเป็นมนุษย์เราก็หมดสิทธิ์อย่างบางท่านเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในพระราชาฐานดีๆสร้างไว้เป็นที่หวงหายคนภายนอกเข้ามาได้เข้าได้แต่คนภายใน แค่ว่าท่านอนไหลเมื่อตายมันแล้วเท่ากับไปเกิดเป็นคนหาว่าท่านไม่ได้เกิดในั่นกูคกษัตริย์ตามเดิมท่านเป็นประเาเป็นคนภายนอกท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเขตนั่นเลยทั้งๆเลยขอที่ท่านสั่งเอาไว้ท่านทำเอาไว้ทุกอย่างถ้า ท, ท่านยังไม่มีสิทธิ์นี่ความไม่แนนอนของความเป็นมนุษย์จะเป็นทุกอย่างนี้ ถ้าเกิดเป็นคนก็ต้องตะเกียร์ตะกายดูภาพมันทั้งหลายไม่มีใครหยุดต้องเดินไปเดินมาทําอีกกายงานทั้งวันเพื่อผลประโยชน์หน่อยเดียวคือเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถจะมีชีวิตส่งตัวอยู่ได้ก็มีความจําเป็นต้องหาเงินนี่เมื่อท่านตจาอย่างนี้แล้วก็บกว่าทรงยาคิดเป็นมนุษย์ต่อไห ไก่ความเป็นมนุษย์เสียเลิกความหมายความมนุษย์ใหม้มนุษย์เป็นทุกข์มนุษย์ในสภาพไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวนี่ความเกิดขึ้นนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความแก่มีความป่วยในการพัดพลาดจากของรักของเสีใจมีความตายในที่สุดถ้าจงอย่าอยากเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าเป็นตรหมต่อไปเพราะเทวดาฟ้านางฟ้าแะพรก็เป็นสภาพไม่เที่ยงเหมือนกัน มี่เมื่อมีความเกิดในเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงธรร ม, รมรดาแึ่ก็เป็นการเจติพิณิสุทธุกคนหวังพนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะเป็นผู้มีศรรมีลเราจะนักถือพระไตรนาคมคือพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็เราจะ ต้องต้องจุุติในวันหน้าถ้าท้าคดมีความรู้สึกว่าท่านนางหลายที่เป็นเทวดานางฟ้าพุทธม์เก่าๆมีความเข้าใจดีแล้วคําว่าเข้าใจบรรดาชั้พุทธบริษัทมาด้วยเขาปฏิบัติได้นี่คืออ า, า, า, รร า, ารมณ์มโหสถันกับอรมณ์อหันต์สำหรับเทวดานางฟ้าพุทธม์ใหม่ๆ จงตั้งใจไว้เสมอว่าจงลืมความเป็นทิพย์เสียอย่าเพลิดเพลินเกินไปอย่ามีความสุขเกินไปแล้วมันจะทุกข์ิพหลังตั้งใจคิดว่าความสุขที่ได้มานี่เขาได้มาจากบุญเล็กน้อยเท่านั้นและก็บาปใหญ่ที่เขาอยู่ในตัวของเรายังมีอยู่ถ้าเราเผลอไม่สร้างความดีไมเมื่อจิตติดจากความเป็นธรรมดา ในพ บ, บนี้ให้พมแล้วทุกคนจะต้องลองอบายภูมิจงดูภาพนรกว่ามีคุมไหนบ้างที่น่าอยู่น่ารักมันไม่น่าอยู่ไม่น่ารักจงดูภาพมนุษย์ว่ามนุษย์เมืองไหนบ้างที่น่าเกิดดินแดนไหนที่มีความสุขไม่มีการงานเราจะมาไม่เห็นความสุขของมนุษย์ แล้วก็ดูเทวดาวนางฟ้ากับพรหมมนุษย์ที่เดินเกินโฉนทุกคนอยู่ในเมืองมนุษย์เคยปเป็นดาวเคยปนางฟ้าเคยเป็นพรมมาแล้วแตว่าท่านทั้งหลายจงตั้งใจไหวเฉพาะนิพพานจงดูภาพนิพพานให้ชัดเจนแจ่มใส ว่าดินแดนพระนิพพานไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อระองตัดเพงเท่านี้เขก็จบที่กาเขาก็บกว่ากาทดนังบอกว่าจะไปพระนิพพานถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ชวนเทวดาบผมเขาไปด้วยสิเขาจะได้รู้ว่าพระนิพพานมีความสุขยังไง แต่เทวดานางฟ้าพรหมก็มีหลายท่านอยู่ในประเทศนิพพานไปแล้วที่เป็นพระอริยเจ้าท่านรู้แต่ที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจะไม่ทราบท่านช่วยมาด้วยจะงหันหน้ามาชนเทวดานางฟ้ากับพรหมยกไปไหว้ท่านโูมีคนทั้งหมดกราบท่านท่านมีคนท่านช่วยเหลือกายงานท่านช่วยเหลือทุกอย่างเพราะการตระหงายน ถ้าสิ่งใดที่ไม่เคยวิสัยที่ท่านจะช่วยได้ท่านจะช่วยให้มีความสุขหลังจากนั้นก็ตามบริวาเจ้าานิพันธ์ท่านขึ้นไปเข้าบริเวณหน้าประตูเหนนิมานสาพรายัปจึงคิดในใจว่าน่มานขององค์อื่นมีหลังเดียวแต่ทำไมของเราจึงต้องมีสามหลัง ท่านสามบดีพระมุขมาใกลกบบ้็บอกวา่าวิมานสามหลังนั้นต้องใช่อย่างนี้วิมานหลังหนึ่งที่คุณมาคุณใช้เป็นปกติคุณมาทุกวันคุณใช้เป็นปกติอันนั้นวิมานประจําตัววิมานหลังตรงน่าออกไปที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน น, นั่นเป็นวิมานที่ประทับห้องสรรมหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับวิมานหลังยาวใหญ่ยาวหลังนั้น วิมานเป็นที่พักประที่ประทับและเป็นที่นั่งของเทวดานางฟ้าพระพรหมพระอรหันต์ที่มาปชุมกันก็มองไปดูนางฟ้าระพรหมรู้สึว่ามีจํานวนนับเป็นสิบสิบล้านไม่อยากจะทราบว่าะวิมานหลังนั้นโตก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับเทวดานางฟ้ารพรมนี่มาเทียบกันไม่ได้ พระธรรมดีเขาก็บอกว่าประเดี๋ยวก็าเราเมื่อขึ้นไปถึงที่ก็ปรากฏว่าที่มานที่ตั้งอยู่เคยมีฝาทึบฝาก็โปร่งเคยเล็กเป็นหน่อยหนึ่งก็ทุกใหญ่ยาวมากลึกมากมีแท้นเป็นที่ประทับของเทวดานางฟ้าหรือทั้งหมดเป็นแท่งแก้วแปรเปลาเป็นยับเข้ากับสภาพความเป็นที่ของเทวดานางฟ้ากับพม ที่มาหลังหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทศพเป็นหน้าหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทุกทุองค์ก็อรยบุสวยงามเป็นระยะเป็นสง่าผ่าเผยใหญ่โตมากจับใจตัวเองก็มานั่งที่ใิณฑตของตัวเองนั่งบนท่งแก้วแต่ก็ต่ากว่าไ้คุพเจ้าองค์ทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้นองค์สูตรเดากระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าโดยเพราะอย่างนี้โอ้ถุงหัว่าฤาีที่นี่เป็นที่อยู่ของเธออาจารอนต้นเธอถามว่าถ้าจิตมั่วไม่นึกถึงนิพพานก่อนตายเธอมาริพานได้ไหมขอให้เธอปฏิบัติตามนี้คือทุกครั้งที่มีความว่างจากการงาน จงมาที่นิพพานนี่นั่งในที่ที่ประทับของเธอถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านก็จะมาส่งพระเธอถ้าพุทธเจ้าไม่ว่างก็จะเป็ น, านาสัปปัญญามาแทนพระองค์คก็เหมก็พระองค์มาเองถ้านอกจากนั้นบริวารของเธอที่มานิพพานนี้มากมายเขาก็ได้มาคุยมาส น, านาทนาด้วยจิตใจของเธอก็จะมีแต่ความชุ่มชื่น พระดิพ า, านมีใจลมแห่ความสุขไม่มีลมความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายพระดิพ า, านมีความสุขมากเวลานี้เธอมีความรู้สึกยังไงก็ต่อบท่านบอกว่ า, าไม่มีกังวลคำ ว, ว่ากังวลความหงใยใดๆทั้งหมดไม่มีถ้าความจึงอยากจะมานิพานนั้นแล้ว องเขาเป็นพระที่แก้พร า, าชากรร อ, อเวลานิดหน่อยให้การงานเขาฉันเสร็จถ้าคนที่เพิงช่วยเหลือได้ยังมีอยู่ที่เขายังไม่มายังมีอยู่จน อ, อยู่รอการช่วยเหลือเขาก่อนเมื่อช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็จะจำมรรคผนได้มอ น, นั้นให้มีความสงใจว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนเราจะมีความ สุขที่สุดคือนิพพานในระหว่างที่เราเป็นคนอยู่เราก็จะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของคนอื่นท่านหมายความเป็นความสุขของคนอื่นไม่ใช่ความสุขของตัวเองเธอท่างหลายคดูเทวดานางฟ้า ก, กับพรมนั่งก็สวยสดงงามทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าจะเคยมาที่พันและทุองค์ มีบางส่วนเท่านั้นที่รู้จักนิพพานคือขึ้นมาได้นั่นคือความความความเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าจะมาไม่ได้นี่อาศัยความดีของเธอท่านสงเคราะห์เธอเธอก็สงเคราะห์ท่านเธอชนมานิพพานท่านจึงมากันได้ทึ่งการกระทําอย่างนี้จงทำเบญจุรติจงสงเคราะห์ทั้งมนุษย์ทั้งเบลดาทั้งนางฟ้ารับรม เทวาดานางฟ้าผมให้กับสองข้าเธอเธอต้งเขาขันเป็นการตอบสนองกันเป็นความดีเข้าหากันอลสําหรับวันนี้เจสีการเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วมันควรจะเพลิฉันก็จะกลับที่อยู่เธอก็จะกลับเมืองมนุษย์ทเทวาดานางฟ้าแะผมก็จังกลับไปใหม่ของเธอ หลังจากนั้นท่านก็ลกุกพวกเราก็กราบเทวดาองค์ก็กราบถ้าท่านก็จากไปพวกเราก็กลักกลลกกกบสถานที่อรบรนดาท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ไม่สบายร่างกายไม่ดีเสียงก็ไม่ดีถ้าก็จําเป็นจะพูดต่อที่ไปจะหาเสียงดีมันคงจะไม่ได้เป็นเรื่องของการมานิพนเป็นปกติกออ็จะมา ถ้ายามว่างเมื่ อ, อไรน่แม้แต่มีเวลาเพียงห้านาทีสิ้นสุดก็จะมานิพพานทันทีเพราะความจป็อยู่ความไม่อยู่เนื้ออยู่เสุขของจิตเมื่อเข้าสานิพพานมอแลร่จิตก็มีความสุข่นนั้นอรหันต์ท่านหลายด้วยเวลาก็หมดแล้ ว, ว, วเขายดถือตะเพิดตะนีเขาความสุขสวัสดิภาพตรหนักว่าคนสมุทรทน จงมีแบบบันดาจพุทธาสากรชนรูรับฝังทุกท่านสวัสดี